ใช คนที่สรงถึงเธอเมื่อเธอเปิดฟังเพลงนี้ ทำร้องทำนองไม่โดนใจแต่มันรูบรวมทุกความรู้สึกว่ารักทุกความทรงจำในลมให้ใจคงไม่มีความหมายคงไม่พอถ้าไม่ได้รับเธอเมื่อเธอปิดฝง มากมาคือฉันรักเธอหมดทั้งใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเมื่อแสนนานก็เธอเท่านั้นคือ